ใช่ไหมในขณะที่เรากล่าวถึงบุคคลผู้ที่กําลังจุติปุ๊บเนี่ยนะในขณะที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ตายนั่นแหละทั้นจุติจิตเนี่ยมันเกิดบ่อยเหลือเกินนะอ่านี่นี่สำหรับที่เป็นมนุษย์นะที่ตายหมู่เป็นพวกพวกให้เห็นเนี่ยมีบ่อยมากทีนี้ในขณะเดียวกันเราศึกษาพระธรรมคําคสอนเราจะสงเคราะห์คําสอนว่าด้วยเรื่องกรรมลงไปตรงนั้นอย่างไรอนะ ในชั้นต้นนั้นปัจจัยอะไรที่ทำให้อายุสัน้นเราก็มาดูก่อนในขณะนั้นนั้นมีเด็กตายด้วยในเด็กที่ตายนั้น ท, ที่อายุสัน้นเหตุให้อายุสั้นก็คือผลของปานาติบาเศษกรรมนะอันนี้เศษเศษใช่เฉเพราะถ้าตัวตร ง, ตรงๆจริงๆให้ปฏิสนธิในอบายเศษของกรรมนั้นจะทำให้อายุสัน้น ทีนี้นี่คือกรรมกรรมเก่าผลของกรรมเก่าเพราะว่าร่างกายของเรานี้เป็นเป็นชีวิตเชืโรคใช่ไหมเราเราต้องไม่ลืมว่าในกายของเราเนี้ยส่วนหนึ่งเป็นกรรมชะโรส่วนหนึ่งเป็นจิตชะโรบส่วนหนึ่งเป็นอุตตชะโรบส่วนหนึ่งเป็นอาหารชะโรถ้าหากว่าส่วนที่เป็นอุตุชรูปเช่นโรคภัยเล่นงานโรคภัยบางอย่างเป็นอุตุชะโรบที่ที่เข้ามา อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้ออะไรที่เข้าไปในร่างกายนี้ทําให้ร่างกายมีปัญหาไอเชื้ออันนั้นเป็นอุตจชรรูปที่เข้าไปทําลายร่างกายถ้าหากว่าขาดอาหารร่างกายที่ขาดอาหารเพราะอาหารชลูปน้อยไปก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายสุขภาพไม่ดีเพราะจิตตชลูปนี่จะอีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายที่มีปัญหาเพราะกรรมชะลูก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่ร่างกายที่ ที่แตกทำลายถึงกับตายไปเลยนั้นกรรมที่ทำให้ตายอย่างนี้เรียกว่าอุปคาตกรรมใช่ไหมอุปคาตกรรมหรืออุปเฉษฐากกรรมกรรมที่มาตัดรอนมาเบียดเบียนกุกุศลที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้แตกทำลายไปให้แตกดับไปทีนี้นี่นี่เป็นเป็นเหตุกรรมเก่าถ้ากรรมใหม่ จ, จะเป็นอย่างไร เราก็มาทบทวนว่าชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยนะเขาจะไปเกิดพบใหม่ก็ต้องดูว่าใกล้จะตายเขามีอะไรเป็นอารมณ์ใช่ไหมสมมติถ้าเกิดระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยจิตครั้งสุดท้ายเราคิดถึงอะไรก่อนนะาภาพที่เรานึกถึงนะถ้าเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาพปรากฏการณ์ในที่ผ่านมาในอดีต ชีวิตของเราอันนั้นเป็นกรรมมนิมิตภาพทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของเรานึกขึ้นได้นึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ market market> ่งเลยนั่นเป็นกรรมมนิมิตถ้านึกถึงสภาพจิตที่เราเคยคิดอะไรไว้ครั้งก่อนๆในอดีตอันนั้นเป็นกรรมมรอารมณถ้าเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตของชีวิตที่เราที่เคยรู้จักผ่านมาก่อนนั้นเป็นกรรมมิมิตอารมณ์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 ถ้าคนชาวเมืองทั่วไปที่ได้ฌานคงหายากนะเพราะฉะนั้นฌานฝ่ายดีนี่ตัดออกไปทีนี้คารุกรรมฝ่ายไม่ดีอ่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่มีไมมฆ่าพระ อ, อรหันต์ก็คงยากหน่อยนะข้อนี้มีให้ฆ่ายากแล้วเกินนะันอันตริยกรรมข้อนี้ทายากอยากกะทำก็ทายากเหมือนกันไม่รู้จะไปหาที่ไหนหาทำบุญก็ยังยากเลยนะอย่าว่าฆ่าท่านเลยทีนี้ถ้าหากว่ากรรมเหล่านี้เนี่ย ที่เป็นอากุศลจะให้ผลเนี่ยครุกรรมมีไหมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นถ้าไม่มีอาสันนกรรมใกล้ตายเนี่ยเขาสภาพจิตของเขาเป็นยังไงโดยทั่วไปก่อนอาสันนกรรมของเขาเนี่ยขณะนั้นเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก่อนจะตายเนี่ยนะกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่นั้นก็บ่งถึงที่ไปของเขาด้วยอย่างหนึ่งถ้าขณะที่เขาใกล้ตายเนี่ยเกิดหลับอยู่เฉยๆ่เงีย้ยไม่ได้ทำกา ร, รอะไรเลย ก็ต้องดูว่าอาจินกรรมชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรมากกว่าอะไรนะเขาฝังใจอยู่กับเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่กรรมอันนั้นจะมาให้ผลส่วนหนึ่งถ้าหากว่ากรรมอันนั้นไม่ให้ผลกรรมในอดีตจะให้ผลกรรมในอดีตชาติให้ผลเป็นตัวมาให้ผลนาเกิดกรรมในอดีตชาติเรียกว่ากตัตตาวาปณกรรมนะก็คือ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 มีในเรื่องอานารทชาดกไอคนฆ่าวัวฆ่ามาทั้งชาตินี่ตายแล้วมาเกิดเป็นเสนาบดีเฉยอันนี้ก็มีบ้างแปลว่าหนึ่งน้อยมากแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นวิสัยของพุธทธญาณที่ที่จะรู้มหากรรมอันนี้เรียกว่ามหากกรรมมัวิพังกสูตรนนะคือถ้าดูแบบธรรมดาเอ๊ะคนนี้ทําชั่วทั้งชาติเลยทําไมไปดีอีกคนนี้ทําดีทั้งชาติทําไมไปชั่วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องอัป ร, ราปริยะเวทนิยกรรม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 มาฟังเรื่องของพระผู้มีพระภาคต่อไปเพื่อที่จะทําให้มองเห็นว่าออร่างกายของพระผู้มีพระภาคส่วนหนึ่งก็กําแต่งมานะกรรมแต่งให้มีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะข้อความในลักษณะสูตรที่คณิกายปาติกวัตรนะกล่าวว่ากล่าวต่อจากที่แล้วดูก่อนพี่สูตทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในพบก่อนในกำเนิดก่อนละปานาติบาตแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วก็คือไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าอย่างเดียวได้บุญไหมได้บุญไหมถ้าเราไม่ฆ่าเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ไม่ฆ่าเลยถามว่าได้บุญไหมยังไม่พอยังไม่พอใช่ไหมเพราะกุศลไม่ได้กล่าวว่าไม่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแล้วเป็นกุศลใช่ไหม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 แสดงว่าคนนั้นเนี่ยวางอาจยาวางศาตรามีความละอายมีความการุณาต่อสัตว์นะมีความเห็นใจต่อสัตว์อนุเคราะห์สัตว์อะ่ะคืออยู่ในฐานะที่จะฆ่าได้แต่ไม่ฆ่าสงสารมันงันศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นศีลเนี่ยส่วนหนึ่งอาศัยกรุณาเจตสิกเป็นเป็นตัวเกื้อกูลกระตุ้นเตือนเหมือนกันอ่าส่วนหนึ่งบางคนอาจจะ ก, กรรมสัสการมากเห็นโทษของกรรม น, นะปัญญาจะตัวนั้นแหละจะทำให้เกิดโอตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปบางคนก็บอกโอศึกษามาธรรมะจนป่านนี้ยังมาฆ่าอีกเลยอันนี้เขาเรียกหิริเกิดมีกำลังบางคนนี่โอตัปะเกิดมีกำลังบางคนนี่กรุณาเกิดแล้วก็มีกำลังอันในขณะก็ทำให้กุศลละจิตเกิดขึ้นอันตัวศีลจริงๆ จ, งจึงเป็นกุศลที่ปารกในการงดเว้นจึงจะเป็นศีล ถ้าไม่มีการงดเว้นไม่มีการเจตนากุศลศีลจึงไม่เกิดเพะะนกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้หนึ่งอาศัยการสมาทานนะตั้งใจทําะขณะที่ตั้งใจในขณะ น, น, นั้นเป็นเป็นกุศลศีลเป็นวิรัตและอีกขณะหนึ่งขณะ ท, ที่ประสบเฉพาะหน้าแล้ววิรัตเกิดขึ้นศีลวีรตีเจตสิกจึงจะเกิดขึ้นถ้าธรรมดาไม่เกิดเนะพราะเป็น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 ตถาคตย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกภูนภัยบุญนะตะถาคตคือพระองค์เนี่ยกุศลกรรมประเภทงดเว้นจากปาณาติบาสนั้นพระองค์ได้ส่งบำเพ็ญมาพระองค์ได้ส่งประพฤติมาคือกุศลจิตอันนั้นนะคือไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วไปบางทีนี่พอใช้คําว่าไม่ฆ่าปั๊บนัคิดถึงภาพนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ นะนั่งร้องรำทำเพลงไปก็นึกว่าชั้นมีศีลแล้วละขนาดนั้นนั้นไม่ใช่นะต้องขณะที่ตั้งใจสังวรสำรวมระวังขณะที่ปารภในการงดเว้นกุศลศีลจึงจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นนันะั้นกุศลศีลตัวนั้นแหละที่พระ อ, องค์สั่งสมพอกพภูนภัยบู์มาก็ทำให้พอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกตถาคตครอบงมเทวดาเหล่าอื่นในเทวโลกด้วยฐานะศิ คืออายุวันนะความสุขยศความเป็นอธิบดีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะแล้วก็ครั้นจุติจากโลกสวรรค์ น, นั้นแล้วนะไปอยู่ในสวรรค์ก็จุติมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะสามประการนะอันนี้สงที่ไม่ฆ่าสัตว์ถือหรือว่าวีรตีเจตสิกหรือกุศลจิตประเภทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ทำให้พระองค์มีมหาปริศลักษณะเกิดขึ้นสามประการด้วยกันอันหนึ่งก็คือส้อนพระบาทเนี่ยยาวส้นเท้ายาวมนนมีพระองค์คุรียาวนิ้วมือเนี่ยยาวและก็สามรวรากายเนี่ยตรงเหมือนกายพรหมนะถ้าใครไม่อยากหลังงอหลังคตก็อย่าข่าศัพ์ตรงนี้ในอัตถกถาท่านอธิบายดีมากว่า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 อันหนึ่งชนเหล่านั้นคิดว่าชนเหล่านี้ไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้แล้วคนอื่นจงรู้กรรมนั้นของชนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงทำให้เป็นคนค่อมคนสูงส่งธรรมดาใช่ไหมพอคิดค่าเนี่ยก้มก้มก้มก้มไปไขณะทํากรรมนั้นพอเกิดมาหลังก็เป็นเหตุให้ให้ค่อมเลยในที่เรียกว่าเป็นอันนี้เป็นตราบาปไม่ใช่ตราบุญแน่นอนนะตราบุญก็ต้องส่ง า, าพาเผย่หอันนี้ตราบาปตราอากุศลนะ เพราะเจตนาไม่ไร้ผลใช่ไหมตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจตนามีผลเสมอไปนี่อันเจตนานั้นอะ่ะที่ก้มก้มจะไปฆ่าเขาก็ทาให้ค่อมเลยทำให้โค้งขึ้นมาหรือว่าเป็นคนแครหรือเป็นคนพิการโลกพร้อมด้วยเทวโลกจงรู้ความที่พระตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นไม่ถูกผู้อื่นฆ่าด้วยเหตุนี้ เพราะฉะนั้นมหาบุริศลักษณะคือพระวรากายตรงเหมือนกายพรหมย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมคือพระองค์ไม่เคยก้มก้มย่องย่อมไ ป, ไ ป, ไปเพื่อนที่จะฆ่าคนอื่นอ่ะอัน้นกุศลเจตนาที่ไม่ได้คิดทําให้พระองค์มีกายเหมือนกับกายพรหมอั น, นึ่งชนเหล่าอื่นมีมือถืออาวุธหรือไม้ค้อนแล้วทํามัดฆ่าผู้อื่นชนเหล่านั้นคิดว่าชน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 บางคนเนี่ยมีนิ้วถึง6นิ้วกามีนะบางคนเนี่ยกุดไปตั้งสามนิ้วกว่ามีบางคนนี่ก็ด้วนไปตั้งเยอะกามีเพราะฉะนั้นมันเป็นนิมิตเป็นตราแห่งกรรมนั้นคนที่นิ้วงามๆก็แสดงว่าเหตุมาดีนะแสดงว่าไ อ, ไอความคิดร้ายๆแบบนั้นไม่มีแต่ถ้าคนคิดไม่ดีหรือไปทำเหตุประเภทนี้ไว้ก็ก็ทำให้นิ้วไม่งามมันขอนมานี่นิ้วงอๆ อ, อยู่อันหนึ่งเลยทาเหตุแล้ว ก็จะว่าชาติที่แล้วเลยชาตินี้มาก็ฆ่าไม่รู้กี่ตัวแล้วปลาเนี่ยคืนเป็นสิบสิบตัวเหมือนกันทบาบาปมาเยอะถ้าไม่รีบหนี้เนี่ยตกนรกยไงไงเลยเนี่ยทากุศลทุกวันเนี่ก็กวนรกกันแนหะเนี่ยฟังเขาคนโน้นก็ตายแล้วอตายทีเป็นพันเนี่ยเออเราก็ตายเหมือนกันนี้ตายแล้วจะไปไหนนาะงั้นงั้นต้องรีบเจริญกุศลเอาไว้เยอะๆนะกุศลเนี่ยเป็นเหมือนมิตรแท้นะสาหายแท้ อกุศลเนี่ยเป็นมิดมิตรปฏิรูปก็ว่าคนเทียมมิดหนึ่งงั้นดังนั้ น, น, นอกุศลจิตพอเกิดขึ้นในใจเราก็มันกระซิบเรานะเหมือนกับเหมือนกับหวังดีกับเราเลย อ, อย่างนี้สิอย่างงั้นสิพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยผลเนี่ยปอกลอกเราหมดตัวเลยหมดกุศลหมดบุญหมดธรรมหมดศีลหมดภาวนาไปทุกอย่างไม่ดีอ่าพระพระองค์นี้งดเว้นอย่างนี้จงรู้ความที่พระตถาคตเป็นผู้ไม่ถูกคนอื่นฆ่าด้วยเหตุอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้น มหาปุริสลักษณะคือมีพระองคุรียาวย่อมเกิดขึ้นนี้คือลักษณะคล้ายกรรมในบทนี้ก็ลักษณะสอย่างนี้แหละเชื่อว่าลักษณะความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นอ น, นิสง์แห่งลักษณะนั้นนะอนิสง์แห่งลักษณะที่มาจากการงดเวน้นจากการฆ่ามีผลไม่ธรรมดาถ้าหากว่าผู้ที่มีมหาปุริสลักษณะคือมีส้นพระบาทยาว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 ทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครที่เป็นมนุษย์เป็นฆ่าศึกศัตรูจะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้นะคืออายุไม่สั้นเหมือนกันเถอะเรียกว่าปองร้ายก็่ไม่ฆ่าก็าไม่ตายเหมือนกันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือพระชนมายุยืนตั้งอยู่นานรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีฆ่าศึกศัตรู จะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมจะเป็นใครๆในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้นะไม่มีใครจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้พระเทวทัตกลิ้งหินก็ไม่พระองค์ก็ไม่ไปสเก็ดหินก็มากระแทกพระบาทที่กระแทกพระบาทก็ด้วยผลของกรรมบางอย่างทาให้มากระแทกพระบาทแต่ว่ายังไงก็ไม่มีใครฆ่าพระพุทธเจ้าได้เจตนาที่ไม่ดีนะแค่จะเอามีดมาขูดให้หนังของพระองค์ะลอก หนังของพระ อ, องค์ก็ไม่ทะลอะเว้นไว้แต่ผ่าตัดในลักษณะรักษาอันผิวพรรณของพระ อ, องค์นั้นสมบูรณ์เพราะผลของกรรมประเภทนี้กรรมแต่งมาก็ทำให้ดีเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทรงทราบการฆ่าสัตว์ให้ตายเป็นภัยแก่ตนนะ ต, ตอนแรกว่าเอ๊การฆ่าคนอื่นนี่ก็ก็เหมือนกับเราชนะใช่ไหม คนอื่นตายเพราะเราฆ่าเราคนชนะใช่ไหมเราเป็นคนอยู่ที่จริงไม่รู้ว่านั่นแหละขณะที่เจตนาในการฆ่านั่นแหละคือศัตรูภายในเกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละคนอื่นเขาก็รับกรรมเก่าไปเราก็ทําเหตุใหม่เพรา ะ, ะนั้นการทําเหตุใหม่อันนั้นนี่เป็นเป็นภยัยคําว่าภัยนี่เป็นเชื่อของความสะดุ้งกลัวหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพรา ะ, ะนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ให้ตายนั้นอ่ะเป็นภัยแก่ตัวทําเหตุแห่งความสะดุ้งกลัวแล้วก็ ทำเหตุให้เกิดความน่ากลัวต่อไปเพราะฉะนั้นท่านได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อื่นแล้วนะกุศลจิตที่เกิดขึ้นเว้นจากปานาติบาตเบื้องหน้าแต่มรณะได้ไปสู่สวรรค์เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นสเสวยวิบากแห่งผลกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติจากสวรรค์เวียนมาในโลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสมประการคือมีส้นพระบาทยาวหนึ่ง พระกายเกิดดีตรงสวยงามดุจกายพรมมีพระพาหางามแขนเนี่ยงามมีความเป็นหนุ่มสวดทรงงามเป็นสุชาติน่นะสวนทรง่งามหมันหุ่นดีใช้ได้เลยประกวดเขาบอกว่าเทวดายังงามไม่เท่าเลยมีนิ้วพระหัสนิ้วพระบาทยาวอ่อนดังปุยฝ้ายพระชนกเป็นต้นนะพ่อเนี่ยทรงบำรุงพระราชกุมาร เพื่อให้มีพระชนมายุยืนยาวเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะสามประการถ้าพระราชกุมารทรงครองเรือนจะได้ก็จะให้พระชนชีพยืนยาวถ้าทรงออกผนวดก็จะได้พระชนชีพยืนยาวกว่านั้นเพื่อให้เจริญด้วยอำนาจและความสําเร็จนะก็คือถ้าอิทธิบาทนะั่นนะพระลักษณะนั้นเป็นนิมิตเพื่อความเป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาวด้วยประการดังนี้ นะใครอยากอายุยืนก็อยากไปคิดฆ่าใครกันแล้วกันอยากอายุสั้นนะบางทีแค่คิดฆ่าคนอื่นนะเขาฆ่าคืนเลยยังไม่ทันฆ่าก็เลยนะคิดฆ่าบางคนคนก็เลยฆ่าคืนเลยเพราะฉะนั้นแค่คิดจะเบียดเบียนสัตว์อื่นปั๊บก็เป็นเหตุให้อายุสั้นนะ